ติจะสมุปบาทจะเรียนโดยวิธีไหนจึงจะเข้าใจง่ายดังได้กล่าวมาแล้วว่าความมุ่งหมายในการเรียนเรื่องนี้ก็เพื่อให้เข้าใจว่าชีวิตเกิดขึ้นมาอย่างไรตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่ถ้าไม่เกิดไม่เกิดเพราะเหตุใดทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมีความจริงแค่ไหนนโลกสวรรค์มีจริงหรือไม่ พระเจ้ามีจริงหรือไม่ความทุกข์ต่างๆในชีวิตประจำวันจะพึงแก้ไขอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะเอาชนะทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดจากการศึกษาเรื่องนี้จะสามารถทำให้เข้าใจถึงความผิดพลาดหรือความบวกพร่องของปรัชญาต่างๆได้ง่ายเพราะเรื่องนี้เป็นปรัชญาที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นปรัชญาของพระพุทธองค์ ที่ใช้เป็นหลักในการประกาศคำสอนทั้งหมดตลอดเวลา45พรรษาแห่งพระชนชีพของพระองค์เรื่องอริยสัจสีซึ่งเป็นการเทศนาครั้งแรกที่พระองค์ทรงประกาศแก่พระปัญจวัคคีย์นั้นความจริงเป็นเพียงเรื่องที่พระองค์ดัดแปลงและจัดหัวข้อใหม่ไปจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เหมาะแก่อัธยาศัยของพระปัญจวัคคีย์เท่านั้นโดยที่สุด แม้เรื่องอบายมุขหรือเรื่องขีหิปปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับคารวาสหรือเรื่องอะไรก็ตามที่พระองค์ตรัสสอนล้วนแต่เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสิน้นเป็นแต่พระองค์ดัดแปลงใหม่เพื่อให้เหมาะแก่อัธยาศัยของคนฟังในที่นั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงมีความหมายลึกซึ้งที่สุดเข้าใจยากมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คนธรรมดาสามัญ สามารถเข้าใจได้ถ้ามีความสนใจอย่างเพียงพอดังที่ได้กล่าวมาแล้วปัญหามีอยู่แต่เพียงว่าจะศึกษาโดยวิธีไหนจึงจะเข้าใจง่ายหนังสือที่อธิบายถึงเรื่องนี้ส่วนมากเป็นการอธิบายตามแนวทางของพระอัฏฐกถาจารย์ซึ่งเริ่มต้นอธิบายจากอวิชชามาโดยลาดับแล้วเรื่องวิญญาณ แทนที่จะอธิบายไปจากตัวอย่างในชีวิตประจําวันที่เห็นง่ายๆก่อนท่านกลับไปอธิบายถึงเรื่องปฏิสนธิก่อนซึ่งคนที่มีพื้นไม่พอจะเข้าใจไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้นแต่วิธีที่ข้าพเจ้าจะอธิบายในหนังสือเล่มนี้ใช้แนวพุทธพจน์โดยตรงเพราะรู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่าและมีหลักฐานดีด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า ก็คือการหยิบเอาข้อเท็จจริงที่รู้รู้กันมาอธิบายก่อนแต่ขอให้เข้าใจว่าเรื่องนี้มีวิธีอธิบายหลายแบบแม้แต่ในคำภีเองพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หลายอย่างทั้งนี้แล้วแต่อุปนิสัยของคนฟังมีอย่างไรก็ทรงอธิบายให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยของเขาอย่างนั้นและ ว, วิธีที่ข้าพเจ้าจะใช้ในหนังสือเล่มนี้ก็ดัดแปลงหมาอีก เพื่อให้เหมาะกับพื้นการศึกษาของคนในปัจจุบันดัดแปลงแต่วิธีการอธิบายเท่านั้นส่วนหลักวิชาและความหมายคงเป็นไปตามหลักพุทธภาษิตทุกประการซึ่งผู้อ่านที่เป็นนักค้นคว้าจะค้นหาที่มาได้ทุกแห่งจากพระไตรปิฎกและหนังสือทุกเล่มที่อ้างไว้